สวัสดีค่ะท่านฟังที่เคารพค่ะขอต้อนรับเข้าสนทนาสัญจนีนาคพรดําเนินรายการครับพระอ่ากําลังสนทนามา เมื่อกําลังทําอะไรอยู่ทําอะไรอยู่ขึ้นจะมีคําอธิบายอย่างไรคะพระธรรมท่านบอกอย่างนี้บอกว่าบางทีการปล่อยวาง เอ่อมันอาจจะเป็นการเค้าเรียกว่าไม่แยแสไม่แคร์หนีปัญหาอย่างนี้ เบื่อหน่ายเบื่อหน่ายป่ะโอ๊ยฉันเบื่อไอ้นี่มากเลยไม่เอานะก่อนจะเบื่อหน่ายคุณจะต้องมี ไอ้ความแน่วแน่นิ่งเป็นระโดนบันเดียวของจิตมันมันอยู่ที่ความสุขและเพราะนั้นต้องมีสุขจึงมีสมาธินะก่อนจะมีสุขได้ เพราะเรามีความไม่ร้อนใจแล้วเราจะมีปิติปราโมทย์เพราะมีปิติราโมทย์แล้วเราจะ ไม่จับไปอีกจับไปอีกอย่างงี้นะถ้าเราพิจารณาตามขั้นตอนนี้อันนี้คือคุณๆมันแบบว่า ในที่ทํางานในโครงการที่เราทําอยู่หรือในบ้านก็แล้วแต่คุณ ค่ะกระบวนการดังกล่าวนี้เรียกว่าอะไรคะที่ว่าจะต้องเริ่มต้นจากมี ความไม่ร้อนใจจะเกิดได้เองเพราะเรามีความไม่ร้อนใจแล้วไม่ร้อนใจจะเกิดได้เองค่ะพอเรามี นะพอซอกเขาซบควยซอกห่าเต็มแล้วก็จะทําบึง เปิดเปิดไม่ถูกเวลาน้ําท่วมกรุงเทพฯอย่างเงี้ยมันเยอะมากค่ะอันนี้เป็นอุปมาที่ใช่ซอกควยผาค่ะฝนยังตกไม่อ่า มาได้ใช่จึงต้องสร้างเหตุตามลําดับถูกต้องถูกต้องปฏิบัติตามลําดับอ่าก่อนจะวางโดยช่วงยิ่งนะอ่าโดยช่วงยิ่งนะสังคมเราเศรษฐกิจสังคมครอบครัว โอ้สิ่งแวดล้อมมีตะนาโอ้โหมันมีปัญหาอีรุงตุงนังหมดเลยแล้วมันมันก็ไม่แก้ปัญหาสิคุณเป็นส่วนค่ะท่านเนี่ยน่า นําไปสู่การเป็นตัวอย่างของปรากฏการหลุดพ้นหรือว่าบรรลุธรรมขั้นสูงแต่ว่า น่ะเป็นเจ้าชายแล้วก็เห็นนางสนมของตัวเองเนี่ยมาคุยกันน่ะคนนั้นน่ะโอ้โหแก่แกรนะแก่แล้วก็ตัวเป็นจุดโอ๊ยน่าเกลียดน่าเกลียดนี่ก็มา เธอดูสิคนตายเนี่ยโอ้โหน่าอึดขึ้นพอยี้ๆน่าเกียดน่าเกียดอ้าวคนพวกนะก็เลยมันเฮ้ยถ้า<ใช> <c oughs> นะก็เลยพยายามที่จะไปหาว่าเอ๊ะนี่วังมีอะไรที่มันไม่แก่ไม่ตายวาง คุณเถอใบไหมเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเรารู้ว่าบ้านเมืองเรามีปัญหาเรื่องไม่มีศีลธรรมเรามาพิจารณาดูเอ๊ะไม่มีศีลธรรมนี่มันเกิดจากอะไรน่ะคนไม่มีศีลไม่มีเอ่อ เราผ่านการพิจารณาตรงนี้คือการพิจารณาในคุณย่อมติวเราผ่านการพิจารณาแล้วเราจึงสร้างศีลสร้างธรรมขึ้นมาในใจของเราเพื่อให้ๆอย่างนี้เป็นเอออันนี้ผ่านการพิจารณาที่ แล้วจะได้ไม่ถูกกล่าวหาว่าเอ่อเออะอะไรก็ไปวัดอ่าไม่รับผิดชอบอย่างนั้นไม่ใช่เลยหนีปัญหาค่ะท่านอาจารย์คะก็เท่ากับว่าตอนนี้เออะอะไรไม่ใช่วางปุ๊บ คือในเรื่องนี้ก็ต้องหมายค่ะนะคะทีนี้ที่เอ่อดิฉัน เราทําอะไรอยู่หรือรู้ลมหายใจเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะคะแต่ดูเหมือนกับ นะศีลสมาธิปัญญาวิมุตตินั่นเองศีลคืออะไรก็คือเริ่มแต่ศีลใช่มั้ยสมาธิก็คือส่วนตั้งแต่ปีติปราโมทย์นะศีลนี่คือรวมกับความ 2 อย่างนี้ <Okay. S> 1 มีความสุขจากวิราคะไปนะความ เนี่ยก็จะเป็นไปตามลําดับอย่างงี้อืมอ่าแล้วก็การทําตรงนี้เนี่ยมันมีจุดที่เราเริ่มอืม เอ่อในในเรื่องนี้อันหนึ่งที่ที่ ก็ก็จะทำอนิสงส์คือค่ะก็ทุกๆท่านที่จะนําเอาไปสู่ใช่ๆก็มีสมาธิแล้วก็การปฏิบัติตรง ที่มันไม่ใช่ว่ามันเกินค่ะแล้วอย่างนี้ทั้งตัวผู้ที่สนใจนํา เฌอมาลค่ะก็คงจะต้องอ่ามาสนทนากับนะคะวันนี้ก็ลากันไปแต่